and คำนีไล่ให้ความสุดที่อย่างนี้เรืออะไรวาที่แค่ที่แกงแสดงหัวเส้นทางของทีเด็ดแต่ธรรมะาจจะจะพูดถึงที่มนมีอยู่ถ้าเป็นความจริงถ้าธรรมะทางา ท, า ง, ทางโลกระตเรียกว่าสาระตามวิชาการถูกต้องตามนิขาดานนี่น่นั่น แต่ท่านปฏิบัติไม่ด้ต้เข้ามาที่รูปธรรมอนามะธรรมเขามาที่รูปธรรมนามะธรรมก็จะได้บอกถึงรูปธรรมก็คือทาสี่รธรรมคือขัธสี่มตรนารงารทุกอย่างแต่ท่าทุกคนกูเคยได้ยินฟังได้ศึกษามาพอทุกคนแรกจะฟัง ทำปฏิบัติ้เข้าใจถ้าจะพูดถึงเรื่องจิตขาบอารมเรามันมีอยู่สองอย่างคือ้ายกับใจนั่นแหละแต่วันนี้จะพูดถึงเรื่องจิตหายตัดสลายได้น่ากำลังฟังตัดสลายสํายกำลังจิ่จะตัดแสทำที่แสดง ทำใสงสัสยอะไรเราเข้าใจครับแต่ว่าข้างผู้เดรนทารในพระพุทธองค์ก็จแสดงธรรมจิตผู้ที่มีศรัทธามากแล้วตั้งใจฟังไม่เห้อทุกประโยชน์เพื่อคำที่องค์ทรงแสดงเราจะตามไปตามไปตามไ ป, มไปพพระองค์แสดงธรรมโจทจิตก็ให้สงสัยห เพราะว่าหรือตามไปก็เป็นความจริงว่าทุกอย่างมไม่มีข้อโต้แย้งแม้แต่ประโยคเดียวถูกต้องแต่แม่นยำตามความจริงทุกอย่างเรียงแบบเป็นรู้ทรรเพราะอะไราะทาลายความสงสัยทั้งหมดมันยุ่งความสงสัยดีว่าทำพลาดมันก็ไม่คอยทำได้งํายเพราะฟรรจเป็นรู้ธรรเพราะอะไรเพราะว่า ีิตของาตังต้งมั่นตรงในปัจจุบันขณะที่นานีเสด็จก็มีโยกปัจจุบันธรรมะ้าเป็นของปัจจุบันพอที่มีอยู่ในปัจจุบันของท่านส่วนทุกข์ก็มีธรรมะหนูกระทํานามธรรมอยู่แล้วยังแต่เลือกตามคำสอนน่นแหละทำที่แน่ถ้าฟังจบปุจิตมันไม่มีข้อสงสัยแม้จะข้ออะไรก็อเราลโทษทเข้าใจการทำแจ้แจ้งชัดเจน นะจันมิไตรนะโมัสสะพะยะวาโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะพะยะวาโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะพะยะวาโตอะรหะโตสัมมา สัมปัสสะกตตสุขาังกิเตะอสังเกเสุขติปาิกัรขากิเตสัเกตเถุขิปาริกัรขาธรมัสระอริยยสสาายสมมนเตอิสตตจัโโส ที่ <c oughs> โคการนี้จะได้แสดงทำนาเทศนาพัฒ น, นาศัจธรรมธรรมสัมไรทางสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องตรัสกับสศิตัญญาศรัทธาความเชื่อคว า, เาเมเฉยใสแต่บรรดาธรรมสาธุชนทั้งหลาย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 ฟังให้เอนะจิตที่ฝึ ก, กมากดรียนอะไรนะอยู่ที่ไหไปที่ไหนอายุเทาไเป็นชายเนชาติเท่านนันอะไรแลแต่จิตกกที่ได้ฝึกมาเรียนนำพานำความสุขมาให้ตลอดอเวล า, านาทีแล้นกลับเราสร้างบ้านหลันดีๆสร้างเสร็จแล้วทุก อ, อยาก่างหมด เนีอยไรที่จะส้งอยู่แล้วเราก็ไปในบ้านของเราไดเราก็สบายคะืนจะนจะนั่งทำาภายในบ้านของเราก็สบายเกีที่ฝึกอบรมจากธรรมะดีแล้วไหเรากีที่ดีแล้วน่ะคือมันมัจบเไงกยรตที่ฝึกยังไม่ดีความหมยจะเลิฝึกยังไม่ดี เรื่องฝึก อ, อยู่แต่ยไม่แล้ ว, ลวยังไม่ดี ท, ทุกอย่างฝึกแล้วดีจกระจกนั้นแหละจะมีความสุขในกิจกรรมต่างๆทําการทําง า, ง, งานได้ไม่มากน้อยก็จะมีความสุขความสมัยแต่แต่เกิดกระทัง่งเรื่องอะไรก็แล้วแต่ใจมันดีแล้วเพราะมันดีมันประกอบด้วย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 ไม่ไม่ไม่บอกไม่จสังไม่จะบอกออด้วยอารมณ์บางทีกรครื่งชอบหรือไม่ชอบตรกนี้นั่นแหละที่ฝึกดีแล้วเอาอะไรมาสึกถ้าฝึกจริงดีเอาอะไรมาสึกจรที่จะดีเพรมีข้อปฏิบัตในสีขาสามของคารวาสัสชน จะมีอยู่สามทานอย่างจะ่นพวกทำงหลายให้นำคองมาฝึกจิตให้ทาน <c oughs> นะเพื่อสมบัติพัฒนาข้าวของเือนทองที่เรานามาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากที่จะได้แล้ว่าเราใช้แล้วฟันใจเล่าเมงอนต้องทำอันนั้นเ คำนี้้าให้เสียสนัดนไม่ทำนุให้ทานมันก็จะเกิดความมัดฉรยะความจนีห่อหู้มจิตอะเรวาสนิมกวามสนิมที่จะหอกหอหอุ้มห่อห่อหู้มจิตเดี๋ยวได้ยินได้ฟังวนะ่าคนมีเกียนะปัญญายาญ หมายพราว่ามีทราพย์สมบแล้วไม่อยากเชียเวลาไม่อยากทำในสิ่งที่เป็นหมายคําว่าคือไม่อยากจะฆ่าคือไม่อยากให้ทาถึงการให้ทานจะเป็นเติมที่จะให้ทานเรียกว่าหมดหมดทั้งเงินแล้วแต้เสียเวลาเพิ่มขึ้นขาดรายได้อีกจะคิดไปรักนาหรือ ม, ม, มาจำบุญทนี้ถ้าเราไปทางานจะได้เทนะ าำนี้นะต้องเสียตัวนี้มีลักษณะของจิตที่หอเขึ้นด้วยความมาั่งเชิงย่าควะมเจรอยู่นานไปนานไปปฏออิกริย์ถึงงงห่วยอะเมื่อเราเป็นเราเป็นเจริญหรือว่าเป็นขมงของเราจริงๆนั่นคันจริงนานใจติดใช้กันส า, าทุกวนิดหลายมีการให้ทาน การมีน้อยเาประทานน้อยทำนีมาประทานเพื่อจะให้ความสุขผ้อื่ไนได้มากทาสิ่งที่เป็นสาใชหน้าประโยชน์เราทานลงไปคนได้รับความสุขความสบายจกผลขเราทานกานที่เราได้สร้ า, างบารมีสร้างพรางลทานบิหารจนลทอนทางหมอหน้าและช่วนนงของ้าของเศรไปเรแต่ที่ทาให้มันท้าทุกแต่ชีวิตแต่ได้ชีวิต แต่ก็ท่านก็งน็แสนๆ้เนี่ยคือสูที่พลังเวอร์ของบุงของกลังใหญ่กลังชอพอให้ท่าบอยจิมันก็จะคลายความเยือกควาถในวัตถุวัตถุกลางกางวัตวัตถุกลามีโรคมีเสียงหรือิ่นมอนวนี้มีสัมผัสพวนของในวัตถุที่อเห็นด้วยตา ถ้าเราสามารถที่ทำข้อแรกได้เป็นได้อย่างนี้จิตมต้อง smiled, 194, 000, 000ถอดถอนความยึดมั่นถึมันสมบัติารนเข้าของเงินทองได้เวลาเปีัมเบโกโคเอาทุกเวลาเราประสบกับสิ่งที่ไม่สมหังยประสบกับสิ่งที่มั่เป็นที่รักการทำนาเป็นทุกข์ แต่ถ้าเราได้ฝึกในการให้กตลอดันเนี้อาจจะถูกโกงมากถูกข้อหอกมาอะไรทั้งนี้ิไม่ไม่เกิเป็นทุกข์แล้วก็ให้จนเคยชินให้อะไรก็เรียกว่าเราเมให้น้อยเร่ให้จนเคยชินแล้วนี่นั่นกานจะเกง้ตัวพอจะมาลองให้ใก่ก็ไม่เป็นทุกข์เพราะด้วยเราว่าพัตถุนั่นก็คือพถุมัวเป็นสบัติที่เราเอามาในรลนี้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 รวมความแรกก็คือแก้ปัญหาชีวิตหมดทุกอย่างถ้าเราเริแ่แก้งตัวนี้กับฝึกการให้แเพื่อถอดถอนกาทา น, น ใ, น, ในวัตถุการได้จะเรียกว่าไม่ดดยึดติดในทัพย์สมบัติอ่าทานทำไมแต่บางท่างเราทานเพื่อหวัง S 1> <S 1> บบบบนอนนี้ก็ไดุ้ลจากปีแรกท่านเพื่อหวังหวังสิ่งนั้นหวังงเรียกอาจจะหอะไรก็ได้จากที่อธิฐานวาเป็นชนบหน้าหรอให้เก้าเป็นเจ้าร่ำ่วยในเจ็ตอีมาเจ็ดีบ้างอธิฐานอะไรเพื่หวังอันนี้ก็ไดุ้ลจากแากปีความหวังมวังดีหวังดีมีบุญมีธรรมแต่ยังไปลองที่เรียวา่า ทำคนก็ต้องจากความมัจฉาญาณท่านี้ไอ้อันนี้สมมากกว่าเพาะไม่หวังคิดเพอให้คิดเอื้อให้ดีให้ดิที่นติดเป็นวัตถุกรรมตาเห็นหัวยิจูบแค่ดีๆก็เพื่อลการสัมผัสอะไรแล้วแต่ไอ้คือวัดถุแล้วก็ถื่าอ อาแต่เ abei ป็วัตถุผู้แต่เป็นวัตนี้นะครก็ต่างกันรู้ว่านี่คือวัตถุแต่ดีแล้วก็ดีถึงนั่นเีนี้เป็นสมสมุดขึ้นมาเห็นนี่เพื่อนี่เห็นนี่เพื่อนี่เปสมุขึ้นมาแต่สิ่งที่ถูกแข่งกันเขาไม่รู้เรื่องเขากกเป็นลูกชนิดแต่ทําให้เลื่อนมาเ่าดีเขาเชื่อปัญญาประการรับการไปนี่โมดีเสียงโมดกัน เสียงเสียงก็มาก็เออเอาเสียงกเสียงระดับไปเอาเสียงก็เสีไปู่ีู่่นี้ก็อยู่นี้เสียงระดับไปเราาบ้างพจบมีเรียกความจำเราแยกแยกความจันะตั้งอยู่ไม่ได้พอเราลู้เอัยแล้ความมันจะเป็นสิ่งที่ผ่านไปทั้งหมดอย่างนี้ให้สังเกตน่เราจึงอย่าอดสอน ตีแคร์รับสุกรรมแล้วบบตัดทอนเจริรได้มีเรากัรให้ให้เพืไม่เอาคนที่เคยมีแล้วเห็อะไรมีมากเท่าไรไม่ใช่เฉยเฉยหมดเพามันคยมีแลเคยได้เคยมีแล้วเมืพอใหสัญญานชาติทยเคย ทานทุกอย่างก็ไม่ให้ยึดถือาเกี่ยวกับความรู้แค่วัตถุนั่นแหละทอดรูปทอดรูปว่าทานในการยึดถือแก่วัตถุความหมายของที่พระพระเบชานนท์นนท่านเทวสารทานขอทานขออะไรก็ให้ขออะไรก็ให้เจ้ คือจมันไม่คิดจะเอาอะไรแต่เรให้อย่างพราะเรมีสุสุนี่เราเอาการให้มาอาศุจิให้ติดั้งยึดทีมัวัตถุก็อนแรกก้อที่สองศีลไม่ศเนัที่ ก็มีสติสังรมรวมความดีที่มีให้ได้เลาอยู่คนเดียวอาจจะรวมได้่พอทั้งสมารถถ้าเราไม่ไม่มีสติไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถที่จะรวมความดีที่เคยมี้าจะทำความดีมาหลายรั้งหลายผลหลายวันหลาเดือนายปีหลายีหั่วโมง พอมีเหตุกระทบกระทั่งเกิดถูกเขาปลา่อย่บ้างถูกเขาปล่อยชีบ้างถูกเขาพูดสอบเสียบ้างถูกเขาพูหาเรื่องที่ม่เป็นความจิงใสบ้างถ้าสาดจติเมื่อไรขาดสัญญามอะอไรก็รักษาใจที่ดีดีไวไม่ได้แล้วสิใจว่า ร, รักษาคือคือรอวงระังความดีที่มีอยู่นะ ระวังไม่ได้เลยความขัดเคืองเกิดวามโมเกิดขึ้นเลยเงิความอาคตาิเกิความพยายามเกิดความทิงชันขึ้นมาเพราไรเพราะขาดสติขาดสัญญานในการที่จะาารักษาความดีที่มีอยู่ไว้สิ่งที่ปกติไงปกติของกายมาจดาถ่งจะไดยินเรื่องไม่ดีอะไรเรแค่กคนที่มีสิ่งจยากปกติอยู่ไม่ร่องรู้ว่า แสดงหลักการออกมาทางต า, าทางจมูกอะไรทํำนองนี้คือวิสติทางรู้เท่ารู้เท่าเรื่องราวที่มันสัมผัสรู้ทันโดยเป็นวิสติรับทราบรูกันมีตัญญาวตัด ก, กระแสที่ไม่ดีที่ดีจะฟังไว้และตัดตอบเลยถ้าเขาคนดีมาต่อแทนไว้คนดีที่เราได้มีอยู่นั้นไปทําดีคิดดีพูดดี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 ทำงานโดยการจุกงานไปเดียวเองคนนั้นนะต้อย่างขึ้นเดือนมากกว่าอันนี้ก็เกิดความไม่พอใจอจฉาันนที่จมุ่ดิตาโอ้เขาได้ดีกว่าเราพัะนาคามีขออุนาสาธุแล้เพื่อนเราก็ได้คุณมันก็ทาลายโวยอิจฉาลงไปถ้ากิดมุ่ิตามันก็ไปทางานตัวอิจฉาวิาได้ แต่ถ hmm. ้าไม่เริญมุติตานีะมันก็โอกาสที่อีการือยาดกันตัวเองวงการนะว่าวงการไหนไมว่าประเทศไหนมันไหนมุติตาจะไม่ค่อยเจริญถ้าตัวใครที่เจริญจะไม่มีจะไม่มีการอิจฉาเนี่เขาจะได้เดียวยมเงินถึงเราจะทำก่อนเขาาทีก็ยัเดือนไม่เท่าเขาเขาหนืองเดือมากกว่าทัางไหนกล้ผู้จัการมาตัวอะไรทั้งนั้นเขาไปยม <Elo. S 2> <cu> เราตัวเลือกเให้ทำหน่างดีๆเต็มไปเลเราอยังง้อยใจเราก็เย็นใจเราทำงานนี่สายของเขาาไม่ทาใช้พลังสุดจิตให้ดีอะไรที่จะทาให้จิดดีท่นเต้องสุดเอาสุดตัวกระแสสุดตัวกระแสเขาทํอย่ามนั้น ทั้งกระแสขื่อของโลกโลกนั่ว่าเป็นกแสไหล่ไปูไปกันทีลไม่มีใครบอกใคสอนเรื่องเเาคาาตามโทัาามมหมไม่มีใครสอนมันมัเเเออเกๆมนใรสอนมหะรบองกองมมัเวัเด็กขึ้นมาโตขึ้นมาแล้ว เรางเล่าหลงต้แสิ่าปีกไปดะจดอะไรแต่มตตัวราเล่หลมาเรยัแต่ผลงานเืองานผลงานนอะไรพความงว่างานนหุ่งพุ่งเห็นนัไปจิรที่เกิดมาจะถึันนี้เลไราว่าเราูกระจกีดข้างู ความพอใจเราสวยเรางามเราหล่อเราอะไรพวกนี ane, ้มันห่อหุ้มไปกี่รอบเห็นไหมพนาฮะทำไมหุ้มไปไปดูว่าอะไรก็ความเห็นก็เห็นนะขอใครแม้กระเทยที่มันน่าเกียดสุดแต่สุดมันเห็นว่ามันสวยงามเรควเห็นที่อยู่นิด่อย่นี้ทีนี้การที่อยลาความเห็พวนี้ใหเห็นจ สุภาพเนี่สุภาเนี่ยมันชวนใจยาอยางมากเลยสุดอันนั well, ้นคนเราไม่จิงหลงหลงในกรรมฐานลงลงผมลงฝนลงเลลงฟังลงหนังช้เินเท่าไรก็้ั่งขอให้ด้จังใจสวยให้งาอะไรก็ได้กับน้องนี่ครับแต่เยพอเวลาทำาข้ามข้างไปกอมีบานมีแกมี อะไรขึ้นมาเดี hmm. ๋ยวถ้ากะทั่งพอไปรอบวิภาอะไรที่กับทอะไรผมก็เรีันหนังอะไรสู้หนังไเองไม่อยากให้มันเป็นความไม่อยากให้เป็นนั่นแหละไสู้ก็อยากให้เป็นแอย่างนี้ไม่อยากเป็นอย่างนี้รความไม่อยากมันกมีอยู่ใจมันเป็นความจริงใท่พอเปนมาจากความชอบความอยากที่เคยทามาบ่อยๆแต่งตัวแต็เนื้อแต่งตัว ชุดก็ต้องราคาแพงเนื้อผ้าก็ทำดีอาหารก็ต้องดีดีอะไรพวกนี้แหละแต่ก็าวไม่รู้รืว่ามันสังสมความรู้ทุกจิตเพื่อให้เยกจิตในสิ่งที่ไม่มีสาระนี่ถ้าเรามาศึกษามรรคฐานมาฟังธรรมาฐานเพื่อให้ใครจะสอนอย่างาหลวงปูฟัน่นให้เราสอนเรื่องธรรมาฐานก่อนมาก ตอนอบรมเป็นยังไงส่ออบรมเป็นยังไงเปลี่ยนอบรมเป็นยังไงเออทำอะไร่าไปยังไงเรีย้องระนี่ขนเหมือกันเ่บเนได้ตัดไปยังไงก่อนได้เกิดมาทได้ตัดไปยังไงันเหมือนกัาไม่แปลไม่ามเป็นยังไงให้เราพิจกรณาเอาถ้าเราพิจาเห็นแล ฟันนี่ถ้าเราไม่ล้างเราไม่แต่งฟังชนชาวเย็นพูดออกมาเข้าใครเข้าใใครก็แล้วแต่จะไม่ดีที่ไม่สะอาดดที่ไม่สะอาดนี่จะว่างงานัน้องขัดต้อความมีดทั้งน้ถ้ากพิจารณาบ่อยนี่มัเป็นการเข้าใจกรรมฐานแต่ไม่พิจารณาบ่อยมันก็เสียสลายก็ต่อง ไปดัดไปแปลงฟันหมอันเขาจึงีงเยอะหมอแต่งหน้ามีตงนเยอะโคันลงไปในเรื่องความสวยงามที่ไปแต่หน้าหมราเยอะานไม่ถึงไม่ไม่ได้ทีนแต่วาตงหน้าติดเจ็ดสิบเต์ก็เสียอะไรก็นความเ็น อ่าที่ติดแต่ว่าความเห็นเห็นเรามันสวยต้องการความสวยเราความสุขอยู่ที่ววความสวยนันละ พ, ะพูดพูดจะอมถึงิ่งใดที่จะทรให้จิตมลงมาตรงเลิกล่างยู่เพยเคยเป็ น, ปร ก, นปรกระอยู่ในตระสัรเท้าอย่างดีอาหารเราเวลาจะสวยก็ต้องตรวจากแพทย์ากหมอ ชุดก็ต้องยางดีทุกอย่างเรียกัาการมรดกในในโลกก็ทําอยู่ับโลกที่สวยๆงามๆนม่นแหจะกินก็ต้องจิตที่ยำ้อมตามอะไรต้องให้มีจิตที่สะอาดจิตที่หอมับอาหารก็ต้องรที่ถูกอน้มันท้งผ่าางสยที่ยิ่งวนอ่อ่าอารมณ์จ้างอารมณ์เพื่อเคยในกิจกรนันแหลนกิกรรมในกิจกเราสืบสังเกตยินรับรสช ถ้าถึงอาหรนั้น่นการสร้างบารมีมาหลายปันไลายเดืนหลายปีหลายนาทีหลายโมงหลายบหลายชาติลารมีที่เคยทำสมไว้ไม่มาสุญหายอะไก็เอาไว้ไหลไปสุดิีมันจะทาชาติยสุดที่สุแต่ราลงมาหลายขั้นหลายขอนั้นสมบุรณ์มาหลายขั้งหลายขอบุญเก่าก็สึ้นสติอยู่ในจิตมุ่งไหมก็ไหลเข้าเพิ่มเติมแล้วแต่เราจะสร้างบุญประเภศไหนให้ทานก็ ทำหลายขั้นเลยผมกระทำเท่าไรก็ไม่ไม่ใช่ได้ครับท่านราในท่หนึ่งต่อไปนั้นใชก็ได้ขั้นถ้าล่อจะทำถ้าล่อจะไม่นับใช่แต่สามารถทำพันพันทางจึ่หนึ่งทำในแสนทงในลานอะไรัมันอยู่ที่พลังของการให้ให้ไปแล้วก็ได้ประโยชน์พอไปทำสาธาประโยชน์ไปดูไปเห็นแล้วแบบมีความสูขมันจะให้เก็บก็เก็บผลงานก็สบายใจให้มอนเห็น รูกเลย์ตุ้ได้ขาวว่ารูกไปเข้าไปต่อยกันขับรถล้อใสยไปชนกันว่ามีเรื่องราวว่ามันจะเกิดการวางใจไุดูแล้วู่ปไปเห็นก็นงกันมันจะสนใจมันไหรือเกระทุ้งมาจากไหนกระทุ้งมาจากความประพฤติมาจากยิบที่แยอะไรกัรลมมาจากถูกทางที่ดีเราติดซ้ำไปด้วยกับเสียเวลาถึงไม่ดี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 สิจแปลว่าความสงบให้ให้จำประเด็นให้สงบอะไรสงที่กายคราวอาองแของที่สารหนึ่งตืนขึ้นมาท็ทาความสะอาดทาไมถึงต้องทาความสะอาดเพราะมันสุขภพตามตามสุขิทกิทานเข้าใจตืนขึ้นมาจากที่นอนผมยาวๆก็ทุ่มไปแต่งล้ ทำไมจะต้องแต่งเพราะมันไม่สาพราะมันโสโครกตามโรคไปตามด้วยแต่เราตื่นขึ้นมาจากที่นอนราขแต่งฟันแต่รอาน้าอาบถูล่างถึงที่สโคกลนี้คือเกล็ดที่มยอมรับสิ่งทนรินถ้าเราไม่เคี่ยวควรพวกนี้แล้วมันก็จะหลงรู้รู้จิตกับใจดำหลงไปสิงที่ไม่มีสาระไม่ใช่จสั้นอะไรก็ พอเป็นคนอักภาพร่างการเนี่ยมันปิดบังคับจิตใจต่อเราเลยนะมันเกิดมามีพันละเรื่องร่ากายนะมันจะเกิดมาอย่ในทางแบบยีพันละมันก็ครอบองแน่ทอดมาแล้วเพราะแม่จะต้องรับผิชอบโทมาตัวเองรับผิดชอบตัวเองทำทานข้าวต้องนอนต้องพักต้องบ้าต้งรักต้องทุลักสาเลาต้องมีที่ ย่ อ, ยอมมีสิ่งยากใจเช่นนั้นผมเดียร์อ่านการที่กนนารทะเลาะว่าจะาามีสิ่งยากใจเป็นเป็นสิ่งที่ยากในทางที่จะดูแลรักษาแล้วอยยังยากเพราะมันยังมีปิเลตอุตติจ ด, ด้วยจะเห็ก็มันชาบัญชาให้ทำเพือ่อผิดเก็บเพืดด่อ้เข้าบัญชาให้ท า, า, มมาทน้อยแต่ต้องการ ม, มากทาน้อยแต่ต้องการมากเพราะโลก เวลาทำมากๆแบวจ่องจางให้มากไปสุดแล้วไม่ได้จะโทดทำมากดูแต่ยังอยากได้มากกวนั้นพอไม่ได้ก็พวดมีความโลมีความปวดเท่าไดถุงพันกิ่ได้อาจะพันได้แล้วกิเลนานาับเพะพวกนี้อหละหนาแตกตายด้วยยินนี่แหลมันจะไม่ได้ทูนกระแสเข้าไปในเรื่องฐานเรืองินเขาสุด เข้าใจเราถึงเร่ความเป็นปกติของกายกระใจใครที่ทิดปกติคนนั่งคือถูกเบลีมข้ามใ้ให้ทาไห้ผิดละกุจาปุ้งผางก้าเลยนะรบไม่น่าฟังอย่างนี้กันคนนั่งก็ผิดเบีมันมันข้ามใให้ทาให้ผิดใครเห็นไม่คนจะรอดดูหน้าที่หน้าเหมืนกัไม่กล มีความโกรธคน็นความโลภสัเกตง่ายหนึ่งไม่อยากทำแต่อยากได้ตรงทาน้อยแส่อยากาย ท, ำย ท, าทำมากทำมากก็โกนติดไปเรื่อยๆเลี่ยมาจากความโลภของจิตมันบอดจิดบอดเมื่อแก้ใช้าำนาจทียอำนาจให่ใหญ่ยังแบบความโลกก็ตามไป อำนาจใหญ่เท่าไรเราท่าทางไม่มีการเคลียร์ตารางในคอโดก็ตามในข้อทีนทุกจุดทุกหน้าที่นั่นแหละแต่นี้แค่น้อยก็คิดแต่ให้คิด่ให้มันดีดีที่สุดในว่านการื่อคิดแต่ละคิดแต่ก่อคิดแรไว้คิดเย็ิดถือนั่นแหลหนักไม่ว่าย็ดอะไรถืออะไรล่ะหนัก ท า, า, ากอาักวางว่ามันกเาเราเยแม็วัตถุที่มันลอยขึ้นไปที่สูงพรมันเบาวัตที่มันตกก่ราไเพราะมันหนักไอ้ง น, นั้นขีดแยกรัหวางขีดย่คนที่มีจิเหนาพ า, าอย่างมันจะไหลที่ต่ำเราจะั้งนใใช่ไมว่าอะไรเปนี้่ก็คือทำแล้วจะเหตุสิน สินก็มีห้าจุดที่เรากาหนดได้ที่เรารับไปเราสังเกตุคนก็สองร้อยสาม้สี่รอยห้าถ้าผิดเราต้องการให้ตัดเป็นกุศุกุชุนยิ่งใจไหลไปที่ตัดทำให้ผิดถ้ารัชกาลทิไม่ไม่คิดจะฆ่าจิตมันจะมีแรงตายแล้วจิไม่ตายจิตจะเปอยู่นั่นะไม่คิดจะฆ่าไม่คิดจะรับ เกษตรกสาม ja ีรยาู้ืนางทก็มีเงินเยออกไปทำเศสิฐินกว่านี้กมีไ้ก็ให้ถูกสินกว่านี้ได้ถูกทานถูกสินปัจจัยไม่มีสาระแก่สาระแต่เราเไปทำให้นมีสาระในใจของเราอันนี้มันจะดีกว่าทจะไปทาไม่มีสาระไปเที่ยวไปกินไป ในทับในวาไปอะไรแล้วกจะจะทาให้จิใจรูหลงเพื่อขึ้นขานณะทรัพเป็นถ้าเราใช้ด้วยจิด้วยปัญญาทามาได้ถีแล้วมันจะมีคุณตใจมันใหญ่ใแต่ใช้ด้วยวิชาที่ถี่ก็จะให้ชุกทุก่ใจใหญ่แล้่อควรแล้วคนอื่นคณทรัพเป็นของกางการจะทรัพกเป็นของกางไม่ีทรัพย์เป็นของกาง ตายอยู่ในของายแล้วแต่จิตที่ฝึกมาแบบไหนก็คือปฏิบัตใช้ใจให้ทำดีดูที่ไหนไปที่ไหนนั่งก็รู้ตัวว่านั่ทำอะไรเดินไปก็รู้ตัวว่าเดินไปทาอะไรพูดเหมือกันอาณาจีกว่าจะพูดรู้ตัวจะบอก่าจะพูดเรืิออะไร ท, ที่นี้ก็เดีรชัวตัวแของตัวในไอ้นีนี่แหละวิธีการสืบคิดให้ดีทำมีหลายอย่างที่จะ ต, ตองให้ฟัง น, นมีการให้กานเทลียสลักบริจาคจราเข่ า, านำเป็นซาภายน์ศิลป์ท่ทานำก็เป็นซาภายน์อยูน ใ, นใจ ที่ความละอายกับความเชื่อก็ไปเศรภายในโอตัดปาวามตัวทุกข์ทรมาที่เกิดขึ้นมาทำไม่ดีนั่นก็เป็นสัราภายในสุดตะการได้ยินในความเหตุผลก็เป็นเาภายในอัญญาความรารู้ในสัจธรรมทั้งหลาย จะเป็นชาตภายในชาตภายในที่เก่านี้ไม่มีภัยมาทำลายทุตภัยก็ไม่มีทาลายกันได้ ไ, ไกับภัยก็ทำลายกันได้สีภัยก็ทำลายกนไดเจอภัยก็ทาลายมันมได้มภัยนีจีแต่ถ้าอยู่คนนอกนอกในศาสนาอื่นเขาทุบภยัยในเยอะอย่างที่สกลนครหรืยประเทศตุรกีหลัอองเนี่ย เรจุกระสุนออไปเสียหายเองมีขาวเส้นหมามีไร่ใีน้มีด้วยมีสวนมีอะไรแล้วแต่พอนําท่วมก็เสียหายไปเรามีขสมากจุดุนจจี้ไปจะสุนไก็มีน้ํเท่วหมากลพัดก็มีทมก็ยังมีข้าวไนอกนไม่าไม่มีไม่ไม่ไม่ไม่เป็นสาระแต่ถ้าเราเบี่ยงมาให้ทานว่า กำบุญชุดทานว่าเอาเอาเอาสมบัติที่มันไม่มีไม่รู้ว่าดีเอาช่วยอะไรแต่ไปทานใ้มนดีสร้างอะไรแล้วแต่ให้ให้ให้กายได้คึกพาให้ใจได้รับความสุขอย่างเงี้ยมันจะเป็นสาระแก่ใจใจเราเป็นผู้ผู้รัรู้นึกคือมาเลยเปเ็นน้องว่าทำทานนี้อายุน้อยอายุมากการทำเรื่มันมันก็ แต่ถิ่นสถิตอยู่ในจิทุกเรื่องเริ่ดีเรื่องไม่ดีก็เหมือนกันถ้าเราไปทาแล้วมันลบไม่ได้หรือคุณมาไเห็นแต่ต้องทาความดีมันมากกว่าเมื่อมีความดีมากกว่าก็จะคิดคึดถ่ายก่อนพราิดลก็ไปเรื่อดีพูดลบก็ไปเร่แต่ใจดที่ดีทาตั้งการทาที่ดีเพราะมันวมิ่งไหลแค่ปัจจัย เราขอเนี้ยใจ้แล้วไปใจในทางที่ดีมากๆขวานี่นี่เรียว่าสร้างบารมีสรีสร้างความดีให้ทางและสารเสถึงนอกจากนี้เราได้สร้างหลวงพ่อภาวนาภาวนาใหม่เถาวัตให้รู้จักคำว่าภาววาตภาววาตพบพบตรงนี้พบของตายในขณะนี้พบของใจกระทึงการเช็ดตื้นเถาวัตอยางพบเถาวนามันแยกออกมาจาก ันึ่งไปเกาะพ่อหน้าพ่าอใหญ่ยแดใจเราคิดถึงเรื่องนั่นตลอดคิดถึงเรื่องนี้อย่อย่างนั้นแต่าว่านั่งหนานี้หลับตาตรงไปหูฟังอย่นะ้กใจใจถึนรับไปด้โดยเฉพาะคนที่มีเรื่องเปมือเราอะไรทินมันไม่ไปมาแล้วที่วันนี้เนนินมาแล้วทีมุกแรกไปเห็นบางคนทำผสิิดมาวนอทำางนี้อนเท่อนรับไปเห็นเ ไป็น ก, กรรมที่จะวเองทำไหมมันลบไปได้ถ้าคิดถึงแต่ถ้าเราทำตัวดีใ้มันมากกว่ามาก่โ อ, อ ก, กาสที่จะักไปเรื่อยดีกว่ า, วานั้นเร็วอนี้มันแบบน้ำนนในภาชนะภาช้ะใหญ่ขนาดไหนก็สักรี่มันขูดอยู่คนที่ตองการให้น้มในภาชนะน้ำมัำนใส้ามีทางเดียวคือเอาน้าใสใสให้เยอะ ใครนั่งนั่อนั่ัน้าวที่ใส่ที่อนอยากนั่น้าสไปที่งดเรื่อนัใส่ลงไปกตไว้ันนาวใส่มันมากกว่าน้าวจมาไปแล้วหาแทบไน่รู้คุนี่มันแ่ละคนเรามันยังมีอาสวะอยู่อาชิพที่พในการทำาิดพูดผิดคิดผิมาแล้วอชีพาติแล้วเรามีอะไรกับชาตินี้บ้างการจะทำผิก็สีสิบอร์เซ็นต์เนี่ยทำทำถูกข้างสิบปอร์เ็นกัน่มีเปอร์เซ็นต์อยู่ แต่ทำผิดพลาดิดควางสูตรพลาดิก็จะน่แน่ใหญ่ใว่าเราจะทาเรื่องกับเรื่อนใดถ้าไปทั้งคมสมาครงกับคนอย่เงเพไหนก็จะไปบเขาอย่างนั้นถาั้งคมสมคองกับหัโซ่จะไปกับห้ยโซ่ทั้งคสมครกับโสามัคตรก็จะเป็นสายสามัคทั้งคมก็ปัญญาอปันาก็จะไปทางนั้นการผิดมาผดมาแต่ทั้งเล่นทางทั้งจทั้ทัวตูต้องตอบทั้งั้ ความรุนร th ุสมมาตรเตมากเติมถ้าได้จากประสบประสบลอง้ดลองเลยว่าฟังง่ายง่ยก็เนื่องว่ามีบุญมากหรือว่าเนื่องมาความสุขมากทุกแบบทุกทตรมดความเห็นกแสเดียความรู้สกะฝ้าหน้ามันจะมีความรู้สึกแค่คนเดียวถ้าเรามีความรู้สึกว่าสบายทุกอย่างทุกจะมีกี่ขัางกี่อี่จากกี่ดกีเดียวมาะ ถ้าเราทำใจว่าให้มาเยอแล้วก็รู้ว่าเรามีความสุขความสบานทุกหน่นี้ถ้าว่าทาเป็นประจำแต่ถึงภาวนาเพาะว่าดูดูแก่หาจิตที่มันรัไปรับมารักไปรมาเรื่องนั้นนี่ตอพบนะเขาเบียดมนก่อไปแล้วก็เฉยก่อไปเฉยก่อไป็เฉักำหนดจิตดูว่ักไเรื่องอะไรปรงอะไรปรงนี้อยู่ทอะไรเรงนี้มีอะไร คืแกทำงานนีาทิตย์แคอาทิตย์เกี่ยวกับตัวเองกับอว้าเกี่ยวกับารงานมากกานเลางอยนีกไปมจะขอเกนเพื่แหละแต่าว่จกอาญาหนา้วนมาแล้วฟังมาครับ มันแ้กมันก็ไปอยู่ในจิตแต่พอเราหลับตาพู่บมันก็อมาโชวเป็นอาการของจิตจิตจะเป็นผู้รู้อยู่ในธรรมกายถ้าทำอารมณ์เนี่ยมันได้จากตาจากหูจากจมูกจากลิ้นจากกายแล้วก็ไปไหก็ไปสุดโชวให้จิตรับทรางเรื่องดี้จิตจะรู้เสนอเข้ามาอย่างชั ลูกรี่พี่ก็เสนอเข้ามาที่ชาวราษรดูปางอันนิจจ์จับไปเสียงดีดีคือเสียงดีดีขมอเสนอให้จีจีกับพี่กันเอาเสียงก็เป็นอันนิจจ์ในที่อัดเย็ดไม่ได้ต่อไปใหี่ก็นเอาใจรากมาเป็นพยานหลัฐานยืนยันไม่ให้กิเลนเขียงไม่ได้ถ้าเป็นใจรักมันเป็นสัจากอันหนึ่งที่มีอยู่แล้วใครจะสอนก็ไม่สอนก็ กวามไม่แน่นอนคนเปลี่ยนแใจความอารมณ์ทั้งหลายมันมีอยู่โดยธรรมชาติทีนี้มันมีอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่ตั้งมัมันก็จะไม่รู้ไว้เองเพราะมันเป็นของที่เร็วมากให้ตักปัจจัยอารมณ์รับปัจจัยโมหทั้งหมดที่จะทำให้จิตใจดีทีไม่ดีมันจะอารมณ์โรคปารลมเปิดจะตตาห์นะ กัตถารลมอัณฑารลมปุถารลมธัมรลมพวกนกตตาพวกจะหมดเรการกนกันกั บ, บรมลมอยู่เวลาเรานั่งภาวนานจมารลมเข้าไปก็จะเห็นเรานั่งภาวนานเราอยากไปให้อยากไปต้องการทั้งหมดต้องการความรู้เข้าทันที่มันมีอยู่ในในกายนใจเท่านั้นแหลถ้ายมันแก่นั่งไป ก็จะเบาจะร้อนนั่งไปนานไปนา น, านอะไรคนาไปเลยมันคนก็หนักมันคนก็เจ็บทั้งนั้นงนี้เป็นอะไรก็ได้วแต่เบขอสําสหรับศาสตร์เ่า้ น, ง, น, นงที่แสดงออกมาให้ให้ให้จิตร้ลย ก, ก็คือสัจธรรมมันเป็นจริงถึงที่มเป็นจริงที่มันอยู่ในโลประก็คืออนิจจ์ความเปลี่ยนแปลงของไม่แน่นอนอนิจจธาตุอนตนี่รูปธาตาน นั่ไปนั่นไปก็ต้องเปลี่ยทุ่องเปล่าเชิียนกว่าเรื่อรามัแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงให้รู้ให้เห็นเท่านั้นแหละผู้รู้รับข้ามรับข้ามไปเรื่อยสุดสุดไปรื่อยก็จะเกิความเข้าใจแจ้งแจ้งไม่ไดสอนผู้ประชารู้เป็นรางรู้เป็นของของเราถ้าเป็นของเราระบอกได้แต่นี่มันบอกนะฮะมันไม่เป็นของเราต้องคิดไปบ่อยต้องบอกไวบ่อย เป็วนเพนเป็นหลายเท่ไปงเป็นวันเพอนเป็นเหมือนเป็นแสงเป็นร่าง่าง้างนั่นอย่ไปจะลบล่างความเข้าใจผิดมาหลายตัวหลายชาติหลายต่างหลายต่ว่าตู้เป็นเราตู้เป็นของเราเปของตู้เราเนี่ยประตูทั้ถหลาอนี้ถ้าเรากำหนอย่านี้เราเรไปิเสาน่ใช่เความกระสัยนะถ้าเ่าเป็นของกาะสัยมันก็ เป็นอะไรมาก็รูเท่าอางเจ็บแก้ไม่ปวดกรู้เท่าเก็บ่อนปวหัวเราประทุเท่าเพราะร่างกายเป็นเจริงของโรคโรคทั้งหลายมัาอยู่ทีร่างายนี่แะเ่งทีนี้ถ้าเราตั้งใจว่าขอให้เจ้าสุขภาพแข็งแรงพร้อมอย่างยัยืพอยืนยิ่งก็รำบากเนะก้าเราเป็นรอดก็บากนะไม่ใช่เรื่องสบายนะ เพราะะสัจจาหนึ่งคืออธิษฐานแบบดูที่ไหนทุกครั้งอยู่ที่หนทุกคั้งอยู่ที่ไหนหลัหน้าตายอ่ที่งนอกไม้หน้าน่างหน้ผู้เข้ามาใช้ในร่างกายเราต้องขั่วนกให้มันรคเท่าในสิ่งที่ดีอยู่ในตัวของเราเนี่ยเี่ยเป็นสิข า, าของการส่วนผู้เสีย ก็จะทำลมเป็นให้ได้ให้ดีให้มีให้เป็นในในกิจกรรมเชื้อตนาดบริจาค่ายค่าพลังศิลป์พลังสุทธะนลังศิลป์พลังวัตถุพลัาปัญญาพลังพลังสุท์อ้อย้ออ้ออ้ดอแออ้ออ้ออ้เอื่อออ้ออ้ออ้ออ้ออ้ออ้ออ้ออ้ออ้อ ไปไปกับเดกวิชาไปมุ่งิสุดคือเข้าวอนิพาตฝึกให้มันดีทุกเรื่องไหมดีไม่ใช่ว่าเรื่องไม่ดีไม่ดีไปสมมติแต่ว่าสิ่งทีงรายเป็นธรรมชาตแต่ผู้รู้จะเข้าใจโอ้่นี่ดีเขาถามเราโอ้ดีชอบใจฆ่ากรราเขาอีกถาเราโอ้ดีเราฆตากรรมของเราไคนเรามี จำนิบาอย่างสาทางพุทธศาสนาเดียวกันสามธรรมะสถาเชื่อจำการกระทำจำการในการใจนิพพานจากสถานเชื่อค่ามรู้จำที่จะให้ผมในปัจจุบันและทราบต่อไปแต่ท้ายกระอากโพริสถานเชื่อในการจัดเสบือของพุเจ้าเชื่อสามอย่างในไวตัมเชื่อที่มั่นคงในข้อปฏิบัติในทางพุทธศาสนา เชื่อนั่จะติดย่อยทางโค้ทางโจงคือเชื่อสามอย่างนั้แหละแค่เชื่อรืบอยาจเราเกิดไึ้มาเรายังเกิดมารับกรรมสอเกิดมาสร้างกรรมสามสิทธาภิาลศึกษาเรื่องกรรมท่านเข้าใจถ้าจะได้เบื่อให้หนาในการที่จะเรรายใเกิดเพราะว่าชาติปีทุกข์พาบัวองต์ชนงจำได้แล้วการเกิดมาเป็นทุกข์ ถ้าราปิดตู้ขายเวลาเปิดมานานๆถ้าราข้ามข้าวโลกไปเปรียบเทียบกันตรงนี้ทุกก่อจะตายเราพยายามรู้จักจะกระจัดลลกได้ตรงนี้ทุกลตั้งลมให้ใจมัที่ปอดใคจะขาุกไหมทุกเพราะว่าทุกอย่างนี้ไม่สามารถทำไม่มีไม่มีใครสอนใหญ่มากกว่าเป็นนะอันนี้การเรามีอยู่ใตใของเราตลอดเวา ทุกครั้มันมีตลาวลานั ato, delta, ้นตามีตลาเวลามีไตลักษณะญาณต้องญาณในควางอย่างรล้อย่างทุกสามอย่างนี่เพื่อปิปกจตเลยโลภศศางว่าแต่เราพรเข้าใจว่าเราขอเราของเราจริงสการมากนั้นถึงนี้เรอยากได้มากมากน่าจะได้แรมากมากอยากหลายแต่หาเยอะชายของคําโลภถ้ามันไม่ได้ทันนใจก็เคยได้ความไม่ได้ตะกนเกีย ข้าพิบาติเห็น้าพันธย์ใจงั้นใช้ของทุกสรรใช้ของอาหาก็เขา่วนทาอะไรก็ไมด้พิจารณาไปทำไปบางทีก็หัเงินทำรับไม่ว่าจะไม่แต่ก็ช่อยชดเสุดท้ายพิบาตของคนกันนะครับก็ํามให้ผลแอะอัดแยะกันอย่างดียวเดินจำไม่ได้างครั้งที่มี มุแจกท่านที่มีนายกรมท่นที่มีก็คุมอย่างเดียวอ่าั้นเราไปอยู่ในในตงนั้นแต่เพราะอะไรเรากโลบมากอย่างหลายจังะเยอะเหมือนกันย่างมันให้โทษเจือโลกะใา้เลี้ยงปากด้วยทางเสียสละปล่อยใจท่าทางการโกรธกัรเย็นการกัดจมปากด้วยซีรษะงนังความสงบกายใจ แกแกตส่องนตาสหรักภาาภาวาทุกวันทุกวันใหกลุมเยอะใ้กล่มฟังกุ่มอนต่อยให้ทางร้อย้าคังั่งเข้าไปเข้าไนั่งสมาธิคั่งหนึ่งออมานะสมาจิจได้แม่อาจารย์เนี่ยต้องสอนนั่งสมาธิร้อ่าวันคั่งเข้าไปข้าไานั่งติดใจสงบปล่อยวางในขั้งหนึ่ง เก no ็บไว่วางไว้ให้มรู้ใชทุกอะไรก็ต้องแบบทั้ั้งแงพอแสยงก็ต้อมาเรียนรู้ตกรกิพเสียกระพับอะไรก็ต้องัดับทันทีทุกอย่างับกทอย่างดับพักก็อะไรก็บกเป็นธรจังอาจารย์ก็สมมติเราานั่งนี่ใเกิดมีนมีเกิดก็ปังใช้ใครใช้ก็ มันจะต้องดับเสียะรเออเร่ีนวรนี้เสียงอะไรผ่านมาอกระัอะไรมันเปนงนนิจังัญญาลูเข้าเลยใช้ได้นั่นนั่งป่าในต้ใน่าในเขยวีกเรงแ่ใ้เพรอะไรนรู้ว่าสิ่งทั้งหลายเป็นนิจังมันไม่เียงแค่มเปียนแปลงไปตามเรื่องนี่นะขณะเรา เอาทานมาฝึใากใจจิตป่านาชัยะเอาเสิุลมาฝึกจุตป่าโทษศัพท์ควาการะเรืองเอาเมตตามาป่าเพื่องิจานไปอิานที่อยากเอ า, า, า, าเมตตาธรรมเอาศีลธรรมอ่าเอาทานเอาศีลเอาเมตตาแล้วเอาสติสติก็คือรู้ คือย <cle an> ู่ก <JOHN ING> <Let damn> ็รู้ก็รนั่งอยู่ก็รู้ก็เรีนั่งทาอะไรก็รู้เกิดไปทอะไรก็รูรู้ดูเนื้อยื่ยาัต่างๆได้สติสัมมาทัญญาู้พร้อมพร้อมทางกายทางใจทำสัมาัญญาต้องฝึกญาณมันอย่างนั่งนี่นะต่ว่ามีสติเราอาจจะรู้เฉพาะขณนั่งนี่แต่ถ้าเราลูกต่อไปเรื่อสติสัมมาทัญญานี่จะต้องรู้ถึงการเคลื่อหขอาใจด้วยรู้ายรู้ใจใจคิดนั่คิดนี่รู้ห จิไปตอนนี้ร่างกายไม่ไปจิตถึงเรนี้จิตถึงเรื่องนี้จิตเรืรรกระดัิรรู้ระับมันเกิดระับเกิดระกิดระกระดนขัญาอรมทุกข์กันจิตต้องไม่ฝังไหลไม่ฝงไหลจเป็นมรรคอาสวัตเลย้งเทั้น ปุทธะสาวกธรรมนี้จิตธมยัติสาระธที่ว ก, ะะ ย, ก ย, ยัง เ, งเท่านเองธรรมัน้นเลาต้องมันจิตของท่านผูใ้ใดกระทบโลกธรรมแแล้วไม่ลไว้โละธรรมแตกนี่มีลาบไปขึ้นล า, าไปเสื่อไปยกักแสบขึ้นโยกเสื่อมไปมีสารเรลื่อนแยกกับทุกฏฐานไม่สูญแยบมิุศ คือทั้งนี้ทั้งทั้งแต่เนี่ยไม่มีใครอิจเร่งแล้วถ้าหาว่าใครสูรบบุหรี่ในคืนทั้งแป๊กนี้ไม่ละไวนั่นแหละจิตของตัว น, นั้นเป็นคงชั้นสงแล้วใช่ว่าเจ็บแค่สุดพอดีแล้วก็นำกอก็จให้ช่วยกันช่วเวลาชุกนาทีไปนั่งหรือท้านไหน้วแต่นั่งหลับตาได้ก็ อ, อะไรจ็ตามก็า้องเป็นจิต้องึกธทํา แต่ละวันแต่ะเือนแต่ละปีจกรรมที่ประกอบด้วยความสุจริตเม่อกี้กรรมว่าสุจริตเมื่ตอนกรรมสุจริตใหกรรมสุจริตเป็นสาของกุศลสายของคนฉลรดที่จะทำบางกิจมาอันนี้ถ้าคงฉลาดแล้วมันมีความสุขจัเกิดในาตนมันก็แตกยิงกระทำมุช้นกระทำอันหนึ่งเทนจีถ้าจิตฉลาดแล้วเรีกวุศลนั้งเกีบ วัฒนธรรมจิต hmm. ังว่าน่งข้อตีขวบไปที่ไหนก็แล้วแต่จิตที่สะานี้นะโซวันละสาคาถโซนะเกกความกใจโซนะสคาคือคาถของใจจะไปครอบสมาลักษณะสอาดคาโซวันละสะอาดคาถายาในสังเองยานในความหยั่งรู้เรื่องนั่งเรื่องนี้ยาเข้าในสังเกตุปารามัยจะไปรู้เรื่องรู้เปาจะทำนะครับ รู้เรื่องสีทั้งกระถาอะไรเป็นทางเางอกว่าสรกดจะเกาะก็ไดุ้ลนนะเป็นนอบถึงนี่ก็กุศมันดีอีก่ปีนันจะใช้ทังร่างกายใจขับไปเจ็บที่ประก็ได้กุศลที่ห้องนี้นะมันจะเกิดที่ไหน้็เกิดก็เปิดถ้าเกิดก็กุศลมีปากค้ายกันั่นเป็นเลือสีเป็นเลือกได้แต่ว่า เกิด ไ, ได้พราะวิบากพาให้มาวิบากกรรมเนี่ยพาพาให้มันเกิดน้คนยังแตกต่างกันในระหว่างาับถอานทไ้ยู่เพราะวิบ า, า, บา ก, รราาากแตกต่างกันไปันกกนี้ก อ, นนอธิบายในเรื่องเหตาที่ ทำให้จิตมีความสุขอือทานแล้วก็จิตมีสตาแล้วก็มีสติแล้กัมีปัญญาถ้ามีสติมีปัญญาแ ล, าญญาแล้วก็นั้นกว่า จ, จิตก็ไม่สมองจิตเต็กศา ส, สนาเร็กๆหรือเปล่จิตก็ไม่สมองในปัจจุบันนี้และขนาคาตเิดสุขสติ คติของจิตก็จะไปสู่ความสบายมีพวกตัวอัอนสมาะได้นะครับถ้าจิตเตสังเดชแคไมจิตเข้ามองจะมีราคาโทรศัพว์าอาห้องยูทุกปฏิเสธก่อนได้ถ้าจิตต่อต่ไปเราคาโทรศัพ์มาเอาห้องอยางแน่นกลไปบ้านมี่เครื่องหอมมีได้การทานที่ไดก็เครื่องหอมเค่ออมพวกอะไรก็องไป่มอมเนกรแส กระ้ะสปัญญากระ้สปัญญมันไม่เห็ น, ห น, นหนัหมากคิดไปก็คิดไปด้วยคิดไปด้วยัำนานี้เ็ก่รมันจะไปเห็นในสองทุกัทกนทุกเวลาทุกนาทีไม่ต้องเป็นกับอารมณ์ไม่ใจหรอกอยู่ในงานมันก็าด้งหละดเครื่องวือก็ทำของคุ้ การฉันท์ทาให้จะบาดทีนะนม่สามารถรู้จักวิจิตรศัลของผไม่ถูกได้ส่วนของผมการฉันท์ท่าถ้าไม่กเนิดทัศน์ศาลย์บ้าคิดถึงโลกที่ชอบที่ฉันไม่ชอบถ้าไม่ได้ไปไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นเลยก็เกิดความอากรเจอข้นมาเกิดกาบาทขึ้นมานะใครมาถัดของเราเกิดพยาบาทขึ้นมาถ้าไม่มีม่ไม่ได้พยาบาลคนนัคนนี้หรือว่าไม่ ดีๆในโลกตะวันออกน่าจะเกิดข้อน่องหนาวขึ้นอยาที่จะมีธาตุน่องหนาวขึ้นมีแกล้วั่นเดียวไม่มีที่แกนาย่นี้ในวาระธรรมทำนัจะสงสัยรังเลตัวเอกาก็เลยจับไปไหนแ้วปฏิบังานทุกทีเปล่าอรพวเนี้นะฮะในวาระธรรมการสมาี่ให้ตั้งม่นในมนสัจะรําใอารมณ์ที่มานกระทบระท่งนะ วันนี้ก็เห็นว่าส่วนตัวจะรั้อยคำนั้นหลายจบเป็นผู้มีให้ทานหาสินภาวนาคเรื่อจะตใจคร่องปัญญาได้มีวิจแยแงรโลกสรรพมีสุขใยใีตัญญาพวุนี้ถึงเอาเอาวกเอาเอาเอาไปใช้ทำธุระมาตรวจจิตมันสุดไปทุกวันทุกเวลาทุกนาทีทุกเอทุกปีไปแล้วชีวิตสุดี้ยแล้วมันก็จะมีแต่ความมีเดินมีจิตา มันดีในตจะเองทนกอย่างความสุขมานสบายน้ว่าเรามีความสุขความสบายแล้วเราจะประสบโชคดีผลงานการปฏิบัติของเราเราปฏิบัติเราจะรู้เรื่องตวเองเมื่เรารู้เรัจอเองแล้วก็ไม่ต้องอาศัยใครถึงจะอาศัยก็ทานไม่อาศัยก็ได้นานทุกคนจะได้เวลาแล้วองของข้อมูลต่างๆเป็น